ลมเหรอ ล, ลมหนาวอ่ะยังมีบทที่เราจะสวดอยูนะทรไมจักอาทิตตะปรยายยะสูตรธรรมจักกับปัฏปวัตนนสูตรอาทิตตะปรยายยะสูตร อนัตตะลักขณะสูตรแล้วก็มหาสติปัฏฐานะสูตรที่เราจะสวดอีกเนี่ย จริน ตานเยอะๆเสียงไ่ออกหอกเจ็ดแล้วเข้ามาเมื่อกี้เมื่อกี้ไครผู้ ก, กองเหรอเสียงผู้กองเหรอฮะเสียงผู้กองใช่ไหม สมครึ่งเลยเลยโอ้โหสมเนี่ยสมก็ใส่ทีละสองตาทั้งแล้วฟาดครึ่งหมอนี่ ขึ้นได้แล้วยาหาเียคู่กันบารมีงพ่อค่ะคนเดียวสองคนก็ขึ้นแล้วใช่ไหมเจ้า <c oughs> ค่ะไหนคุณนายอ่ะนี่ค่ะอ๋อไปดูเหตุการณ์เรืยอันารหที่เกิดอ๋อภรรยาตำรวจร่องไวเออตำรวจอาจหารดีเนาะอ๋อมีบางอาจเออ ได้ยินเสียงอาหา ร, หารดีเว้ยลูกศิษย์หลวงพ่อต้องเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะเอาแล้วท่านลองมาหเปล่าท่านลองไปลูกี่อ่ะท่านลองเตรียมพร้อมค่ะอ๋อเตรียมเตรียมพร้อมอยู่สวันถ้าท่านรอว่าคนเกิดเหตอ๋อรักษาความสงบ สิบร้อวิ่งเนี่ยเราไม่ระวังไม่ได้ดอกยิ่งรถเก๋งตัวเล็กๆหัวลำแหลมเนี่ยโอ้ยสุกไปใต้ท้องมั น, นมางทีตามหลังมันไปเราลืมระวังมันไม่ได้วิ่งเร็วนี่เราคำนวณความเร็วไม่ถูกนี่ วิเศษเนี่ยลูกชายวิเศษเนี่ยสมัยเขาเรียนอยู่ขนแก่นน่ะโอ้ยไปเข้าท้อง10บล้อหนึ่งแล้วหมดตาไปข้างหนึ่งหมดตาไปข้างหนึ่งโชคดีมากเลยหลับไหนปกติมันจะเลืออะไร เต็กนม ที่เราสวดชั่วโมงกว่าชั่วโมงสิบก่อนนาทีนวสวดเยอะที่สุดแหละ เข้ามากันล้ยังเข้ามาหมดล้ยังเมื่อกี้เราก็พากันทาวัดแล้วก็สวดมนต์สวดเจ็ดติธรรมนานสวดมงคลจั ก, กรวาลใหญ่ด้วยที่จริงมงคลจั ก, กรวาลใหญ่เนี่เขานิยมสวด น, นะ สิริธิติมติเตโชเจยสิทธิมหิทธิมหากุณาปริมิตาปุญญาธิการัสสักสัพบันตรายรนนะรณะสิริธิติมติเตโชเป็นอะไรเป็นอินทรวิเชียนหรืเป็นอะไรเนี่ย บันทรายนิวรณว์ัดบติิงสะมหาปริศลักนนานุพาว <c oughs> โอเคเราก็สวดมนต์ไปชั่วโมงกว่าชั่วโมงสิบกวนาทีสวดเจ็ดตำนานปริตะปริตะมงคล สวดทำวัดเย็นด้วยสวดทำวัดเย็นแล้วก็รัตนปริตะมงคลสวดเจตตำนานถือว่าสวดเพื่อคุ้มกัน เพื่อแคลีวคลาดเพื่อเพื่อปลอดภัยเลี่ยงปริตระปริตะปริต ะ, ะแปลว่าป้องกัน อมเหอํมเหอํมเหเตติอมเหอนุรักษ์ขั้นตุอมเหแปลว่าข้าพเจ้า ปริตปริตตะมงคลเขาสวดปริตตะมงคลเวลาเวลาจบเขาจะไม่ลืมที่จะสวดนักัตยักกัูตานั่งป า, ปากานิวารณาความป้องกันบาปเคราะห์ทั้งหลายแต่สำนักแห่งเหล่านักนักษัตย์นักษัตว์ นักษัตว์ก็พวก ร, ราศีพวกราศีพวกราศีที่เขาดูนั่นน่ะดูดวงดูดาวดูฤกษ์ดูอะไรเนี่ยส2สองนักษัตว์เนี่ยแต่สำนักแห่งเหล่านักษัตร์ยักษ์และพูดได้มีแล้วป้องกันด้วยอานุภาพแห่งพระปริต จงกำจัดเสียซึ่งอุปัตถวะทั้งหลายแต่สํานักแห่งนักสัตวยักษ์และพูดเหล่านั้นพระปริศไปกําจัดอุปัตถวะทั้งหลายอุปัตถวเหตุนั่นแหละเกิดขึ้นจากนักสัตว์ผิดนู้นผิดนี้ผิดวันผิดเกษ์ผิดยามอันนี้มันก็แรกแทกเข้าไปทั้งนู่นล้เนี่ยยักษ์พูด พวกวิญญาณทั้งหลายพวกยักทั้งหลายที่ให้โทษคนพวกพูดพูดผีทั้งหลายเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านไปไปเจริญปริตฐะมงคลส่วนมงคลละสูตรที่เมืองเวสาลีเมืองไวยสาลีสมัยเข้ายากหมากแพงผลแรง ฝนแรงข้าวยากหมากแพงอาหิวาระบาดคนตายเกลื่อนพวกอะมนุษย์นี่อะมนุษย์เหล่านี้เนี่ยมันลองมากิน ม, มากินซากกินอะไรต่ออะไรเนี่ยผู้ที่เจ้าไปทั้กระสอดนี่แหละให้พระอานนท์ถือน้ำพระคุณธรระเดินพรหมทั่วเมืองเวสาลี พวกอมนุตั้งหลายพอเห็นอานุภาพแห่งปริตะมงคลก็พากันหลบพากันหนีใครไม่หนีก็โดนโดนน้ำมลนี่กัดดินอานุภาพแห่งพระปริปริพระปริตพระพุทธเจ้าไป เสด็จไปก็บรรดาให้มีฝนตกฝนตกหนักน้ำท่วมไหลชะเอาซากมนุษย์เนี่ยไหลลงไหลลงที่ต่ำหมดชะล้างบ้านเมืองให้สะอาดสวดปริตตมงคนี่แหละเสร็จแล้วให้พระนอนตนเดินพรมพรมน้ำพระพุทธมนต์ไล่สิ่งเหล่านี้ที่เมืองเบสาดี เราตั้งใจสวดมีผลมีอานิสงส์เพราะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนั้นน่ะมนันเป็นเป็นธรรมะเนี่ยมันเป็นธรรมะเช่นอย่างบททชชา ก, กะสูดทัชช ก, กสูตรเนี่ย พุทธเจ้าแสดงถึงอรัญเยลุคโคมูลเลวาติาชักกสุนลูกกวนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายอยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีเธอพึงระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเธอภัยจะไม่พึงเกิดแก่เธอทั้งหลายถ้าว่าเธอทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ในโลกองอาจกวานราชนที่นั้น เธอพึงระลึกถึงพระธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์ที่เราแสดงไว้ดีแล้วเนี่ยถ้าว่าเธอทั้งหลายไม่ระลึกถึงพระธรรมเครื่องนำออกจากทุกข์ที่เราแสดงไว้ดีแล้วที่นั้นเธอพึงระลึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นบุญยขีตไม่มีนาบุญอื่น อื่นใดยิ่งไปกว่าดูก่อนพิสู่นทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายรันเล็กถึงพระพุทธเจ้าก็ทำพระสงฆ์อยู่ความกลัวก็ดีความวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีจักไม่มีเลยท่านพูดถึงในบทธชัเจ้กรสเนี่ย พระองค์ทรงเทศเปรียบเทียบว่าเทวด า, าก็ทําศึกเขาเรียกว่าเทวาสุระสงครามเทวดาก็ทําศึกพระอินทร์ก็สอนเทวดาพระอินทร์ก็บอกเทวดาพระอินทร์เนี่ยรบกับอาศูนตามตำนานอาศูนย์พระอิ น, อนท ร, นทรนน์รบกับอาศูา น, านอาศูนย์ว่าเป็นพวกยักเลยนะอาศูนพวกอาศูนยพวกยัก พรินรบกับอาสูรสอนพวกเทวดาว่าถ้าพวกเธอทั้งหลายกลัวให้ดูธงเราเนี่ยให้ดูธงของพระอินทร์เหมือนนนะถ้ากลัวให้ดูธงของพระอินทร์พิสุท์ทั้งหลายอธงของพระอินทร์เนี่ยม่นได้ช่วยให้เราพ้นทุกข์พ้นโทษพ้นเกิดแก่เจ็บตาได้อืม สู้เราสู้เราดูสู้เราดูราดหรือเราเระลึกถึงพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระสงฆ์ไม่ได้พระลึกถึงดูทงดูทงดูทงของพระอินทร์อาจจะหายกลัวได้แต่ก็พ้นทุกข์ไม่ได้ไม่เหมือนดูทงของพระพุทธเจ้า คือไม่ไม่เหมือนระ ล, ลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เพราะใครระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วคนนั้นพ้นจากทุกข์ได้มันต่างกันยังไงมันต่างกันโดยที่ว่าระ ล, ล, า ล, ลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณของพระธรรมระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าท่านสอนพระธรรมพระธรรมทั้งหมดเป็นบทสอนแล้วเราเอาไปปฏิบัติพระธรรมมีข้อปฏิบัติระลึกถึงพระพุทธเจ้ามีข้อปฏิบัติไม่ใช่ระลึกถึงเฉยเฉยโดยไม่ได้สร้างเหตุอะไรแล้วจะหายไม่หายเช่นอย่างเมื่อเราเลึกเราเลึกถึงพระพุทธเจ้าเราก็ภาวนาที่ไม่ให้จิตมันกลัว ให้จิตมันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคือพุทธานสุสติพุทโธเราลึกถึงพระพุทธเจ้าเราไปอยู่กับบทเดียวอยู่กับอารมณ์เดียวเป็นสมถะทำให้จิตได้รับความสงบจิตมันไม่สงบเพราะจิตมันเป็นนึกกลัวหวาดระแวงวิตกกังวลก ล, วกลัวนู่นกลัวนี้อย่างนั้นอย่างนี้กลัวเต็มไปหมด ตีนี้ไม่นึกถึงอะไรนึกถึงแต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนะ่จิตดวงเดียวเรามานึกถึงพุโทโธอย่างอื่นก็ถือว่าถูกปิดไปหมดเหลือแต่พุโทโธพุโทโธพุโทโธเมื่อจิตจดจ่อยอยู่กับพุโทโธตัญหาที่มันจะคอ ย, คอยสวมรอยสวมรอยจิตดึงจิตเอาไปนึกไปคิดไปปรุงให้เราเกิดความกลัวนั่นนะมันก็แทรกไม่ได้ตัญหาแทรกไม่ได้จิต ดวนั้นจะเริ่มสงบอยู่กับพจนพุโทโธพุทโธจิตเริ่มสงบจิตเริ่มตื่นจิตเริ่มผ่องใสจิตเริ่มเบิกบานจะเอาอะไรมากลัวไม่กลัวนี่ที่พึ่งคือพุทธเจ้าพอเราพึ่งปับ๊บเรามีข้อปฏิบัติเหมือนอย่างที่เรามาทำบัดสฉวนมนตเจริญพระพุทธมนเนี่ยนี่คือคือบุญญากิจยา มันเป็นข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งการที่เราสาธยายบทสวดต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการสาธยายรมฟังรมเราสวดเองเราฟังเองเราสวดเองเราฟังเองฟังอะไรก็ฟังธรรมะนั่นแหละธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นภาษาของท่านแท้ๆเลยเราไม่เราไม่เข้าใจเราฟังถ้าเรา ไ ม, ไม่รู้จักคําแปลเราไม่เข้าใจแต่ที่ที่เราฟังเนี่นี่คือฟังเทศฟังธรรมนั่นแหละฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนเี่ยมีบทใหญ่ใ่เช่นอย่างธรรมจักอนัตอาทิตย์เนี่ยที่เราจะสวดเนี่ยอหรือมหาสติปัฏฐานอย่างเงี้ยเป็นบทธรรมะสมมติเราฟังเนี่ยท่ากับเราฟังเทศของพระพุทธเจ้า สมมติเราสวดก็คือเราสวดบทธรรมหราสวดด้วยฟังด้วยทั้งสวดทั้งฟังฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแค่เราฟังไม่ค่อยใจด้วยเหตุที่เราตั้งอกตั้งใจสวดสวดเองได้ยินเองมีผลมีอนันในสงเหมือนอย่างที่หลวงปู่มั่นทันวานี่ยอันในสงแค่สวดเบาๆธรรมดาเนี่ยไปได้หมื่นจักรวาล สวดดังพอประมาณแสนโกดจั ก, กรวาลโวดตะโกนหมดแรงเนี่ยนะนู่นมีอนุภาพแผพ่ไปได้อนันตาจักรวาลสิ่งเลนี้เป็นคำเปรียบเทียบทางนั้นแหละพูดถึงอนุภาพของพระธรรมพระธรรมอะไรแผ่ไปได้ถึงอนันต์จักรวาลถึงขนาดนั้น พระธรรมแผ่ไปได้เพราะไม่ว่าจะเป็นกี่โลกกทาตก็ตามกี่จักรวาลก็ตามตกอยู่ภายใต้อำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาที่พุทธเาท่านทรงแสดงไ้ไม่มีสิ่งใดแม่หนึ่งเดียวที่มีที่เป็นนิจจังที่เป็นสุขขังคืออยู่เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่มี เราเห็นชะลากติเราเห็นเหล็กตรงนู้นตรงนี้ช่วงระยะเวลาสั้นๆเราไม่รู้ไม่รู้เขาเปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนแต่เขาจะเปลี่ยนเมื่ออายุเ้านานๆห้าสิบปีหกสิปีร้อยปีสองร้อปีหมื่นปีแสนปีล้านปีมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยแม้แต่เหล็กแข็งๆมันก็เปลี่ยนแม้แต่เพชรนินจินดาทองอะไรตัวอะไรเนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันก็จะเปลี่ยน มันเปลี่ยนสภาพจากอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนจากรูปอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่คืออนิจจังทุกขังที่มีอยู่ประจำอยู่บนกองสังขารบนโลกใบนี้โลกใบนี้ทั้งโลกทั้งก้อนก็คือกองสังขารรวมมาถึงมนุษย์สัตว์มีชีวิตก็คือกองสังขารแต่มันเป็นกองสังขารที่มีวิญ ญ, ญาณครองเหมือนพวกเรานี่แหละเรามีวิญ ญ, ญาณ วิญญาณก็คือจิตของเราแทนเลยจิตก็คือผู้รู้ผู้รู้ก็คือจิตจิตก็คือวิญญาณวิญญาณก็คือจิตเรามวมจะไปแยกแยะมากมายเหมือนนักพิธรรมเพราะก็หลงมันเองเราเป็นนักปฏิบัติเราจ่อมาที่ผู้รู้อย่างเดียวผู้รู้หนึ่งเดียวแล้วจ่อเข้ามาเราเห็นกิริยาการที่เขาแสดงออก ที่เราสวดแล้วแผ่ไปได้เท่านั้นจั ก, กรวาลได้เท่านี้จั ก, กรวาลเรามาคิดตามแง่ธรรมตามแง่ธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงโอ้จั ก, กรวาลไหนก็ตามล้วนจะเปลี่ยนไปคงที่อยู่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังไม่มีใครไม่อยู่ในอำนาจการบังคับบัญชาของใครไม่มีเทพตนใด ที่มีริทมีเดตมีอำนาจไปเปลี่ยนกฎอันนี้ได้นี่คือกฎของสังขารมันเป็นกฎประจำสังขารกฎของไตรลักษณ์นี่แหละอันนี้จังทุกขังอนัตตาบังคับไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านพูด <Ừ. S 1> ต, ตรงๆเลยแหละ <Ừ. S 1> ถ้าเป็นอัตตาเราต้องบังคับได้เนี่ยท่านพูดไว้ในอ น, น, นัตตลักษณนาสูตร โดยที่เราบังคับไม่ได้มันจึงไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตานะมันเป็นอนัตตาถ้าเราเปรียบเทียบไปที่ศาสนาศา ส, สนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ก็ถืออัตตาอัตตาแปลว่าตัวตนอัตตาแปลว่าตัวตนเราน้อมมาใส่ตัวเราเนี่ยคือความสําคัญมั่นหมายความยึดความถือว่าเป็นตัวเป็นตน เป็นเราเมื่อมีเราแล้วก็มีของของเราเมื่อมีเราแล้วก็ต้องมีของของเราเมื่อมีเรามันก็มีการถือถือน้ถือตัวมีความสำคัญมั่นหมายมีการถือเหมือนอย่างที่ท่านพูดเอาไว้ในมานะนั่นแหละการถือมันเป็นการเปรียบเทียบกัน เราเลิศกว่าเขา achts, แต่เราสําคัญว่าเลเาิศกว่าเขานี่ก็คือถือตัวถือเนื้อถือตัวหรือเราเท่ากับเขาเขาเท่ากับเราเราเลิศกว่าเขาเขาก็เลิศเขาก็เลิศเราก็เลิศเราก็เท่าเขาเขาก็เท่าเรานี่ก็ยังมีการถือเลิศกว่าเขาสําคัญว่าเลิศกว่าเขาเลิศกว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาเลิศกว่าเขาสําคัญว่าเลวกว่าเขา ว่าจะมีความยึดถือมีความสําคัญมั่นหมายอย่างใดอย่างหนึ่งท่านถือว่าเป็นการถือการถือทั้งนี้แหละนี่แหละคืออัตตาแหละมันมีฤทธิ์การถืออันนี่อยู่ในหัวใจที่เรียกว่าอัตตาอัตตาแปลว่าตนแปลว่าตัวตนความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนมีไหมในกายของเราในจิตของเราเราสํารวจตรวจตราดูความรู้สึกว่ามี เวลามันขึ้นเต็มที่โกรธปากสันยิ้มๆๆนั่นอะไรขึ้นน่ะสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนไอ้ที่เป็นแบบนั้นเนี่ยจะต้องคิดมาในแง่ว่าเสียเปรียบอย่างไดอย่างหนึ่งจะต้องนึกคิดว่าเขาดูถูกเราเขาลบหลูเราเขาดูหมิ่นเราเขาเหยียบเหยียดหยามเราเนี่ยถือถือแหละถือ โดอเหตุที่ถือแล้วแหละสิ่งเหล่านั้นจึงตามมาตามมาแล้วไม่ใช่อยู่เฉยมีการต่อก่อนกันมีการทะเลาะเบาไฟขันมีการต่อสู้กันมีการฆ่ากันมีการฆ่าแกงกันทําไม่ได้กับจองล้างจองผลานถือตอนนั่นแหละเหมือนพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัต น, นะจองล้างจองผลานนะ่ะ ตอนควรจะได้เราควรจะได้เราไปเห็นก่อนเราควรจะได้พระพุทธเจ้าเอาไปก่อนไปค้าขายไปค้าขายตามชนบทด้วยกันสมัยที่เริ่มจองล่างจองผลานกันพระพุทธเจ้ากับปเทวทัติเนี่ยอดีตอดีตชาติเนี่ยไปเป็นขบวนใหญ่นี่แหละเอาของไปขายเอาไปเอาของไปขายทั้งขายทั้งแรก ทั้งเปลี่ยนทั้งอะไรทลายได้หมดของบนดับเครื่องบนดับถ้าเราจะเทียบกับเมื่อกว่าขนไปเป็นรถไปห้าคนสิบคนไปแล้วก็ไปลงไปลงหมู่บ้านเราก็แยกย้ายกันเอาคนนั้นเข้าคุ้มน ะ, ะคุ้มนั้นคนนั้นเข้าคุ้มนั้นคนนั้นเข้าตรงนั้นคนนั้นเข้าทางเส้นนั้นเส้นนั้นต่างคนต่างเข้าไปทีพระเทวทัตเข้าไปก่อนไปเจอที่ว่ายายน่ย เอาถาดทองคามาแลกของเพื่อจะเอาให้หลานหลานอยากได้ของอยากได้เครื่องประดับโอ้ยายไม่มีอะไรนี่มีถาดใบเก่าๆใบนี้แหละอยากแลกของให้ให้หลานหลานอยากได้เครื่องประดับพระเทวทัตดูก็รูธธ้ทันทีโอ้นี่ทองทองคำทั้งแท่งเลยทองคาทั้งดุนเลยถาดใบนั้นยายไม่รู้จักไม่รู้จักว่าเป็นทองอมไม่แลก กะว่าจะม า, มาเอาง่ายๆมาเอากะกาว่าจะมาเอาง่ายๆจะมาเอาเปล่าๆเดินเลยเดินเลยไปนี่นี่พุทธเจ้าตามหลังเนี่ยนี่ต่างคนต่างไปขายเนี่ยของอยู่ในบาใครบาเราเนี่ยอืขายเอาใครขายเอาเรานี่พุทธเจ้าตามหลังไปยายนี่ก็ยังอยากได้ร้านอยู่เหมือนเดิมอีกอแม่ไม่มีอะไรมีถาดใบเก่าๆนี่แหละ ห้านอยากได้เครื่องประดับจะแลกได้อะไรบ้างกับคอยคอยแลกให้แม่ด้วยนี่ก็ท่านเอามาดูโอ้นีทองบอกทันทีเลยโอ้คุณแม่นี่ทองทองคำนี่ถาดใบนี้ทองคาทั้งทั้งดุนเลยเนี่ยทองคาทั้งดุนถ้าจะแลกกับของของผมนี่ของที่ผมเอามาทั้งหมดนี่ก็ราคาไม่เท่ากับถาดใบนี้นี่นี่คือคนซื้อคนตรง พระพุทธเจ้าสมัยนั้นนะเป็นพ่อค้าอันนี้มีอยู่ในเสรี ว, วานิชชาดกเสรีวานิชชาดกสมัยพระพุทธเจ้าเป็นพาณิชย์วานิชาวานิชาพานิชชาดกไปค้าขายทีนี้ยายนันก็เลยแหลกแหลกพระพุทธเจ้ า, จาในในชาตินั้นก็ ให้ของไปจนหมดขอที่เอามาให้จนหมดแลกเอากับถาดใบเดียวเนี่ยเพราได้ถาดใบนั้นก็รีบกลับก่อนเทวทัศน์เนี่ยรีบกลับก่อนเทวทัต์เทวทัศน์วกตามหลังมาเพื่อที่จะเอาหวังจะได้เอาของง่ายๆนะนี่มาโอพู้ที่จะแลกไปก่อนครับโอ้เสียดายเสียใจมากเลยแทบก็อักเลือนเลยว่างั้นนะตามไปว่าจะไปเอาให้ได้เนี่ย พอดีดูเหมือนจะไหวทันรู้ทันอ่ะออกเดินทางก่อนออกเดินทางก่อนข้ามน้ําไปพอดีป่ะอันนี้ตาไม่ทันอ่ะโอ้ยตั้งจิตจองเวรตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป <c oughs> ก็จองตั้งแต่นั้นมาพระพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องหรอกพระพุทธเจ้าไม่ได้จองจองข้างเดียวนั้นน่ะเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเราดูเถอะนี่คือคนผ่าน ควรผ่านจองเวนข้างเดียวแค่นั้นก็นดูที่นี่เราควรได้เราควรได้คืออะไรนี่คืออัดตามโผล่ขึ้นมาเราไปเห็นก่อนเราควรได้เราควรได้ควรได้ไดแต่เราไม่เอาอ่หวังจะเอาของเขาง่ายๆฟรีๆอะ่ะพระุทธเจ้าท่านก็นแลกไปก่อนนี่คือสะท้อนมาให้เห็นว่าคนดีคนไม่ดีคนไม่ดี มันมักจะเอา mas, ด้วยเลขด้วยกลด้วยวุบายอย่างนั้นะมักจะเอาเปรียบคอยได้คอยได้ได้เปรียบเสียเปรียบได้อะไรไม่ว่าแต่คอยได้คอยได้มันไม่เหมือนคนสุดจริตคนสุจริตคนซื่อคนสุดจริตคนมีศีลมีธรรมได้ได้ก็คอยให้มันสมดุลกันเราเสียไปเขาได้เราเสียไปเขาเสียมาให้มันสมดุลกันอื อย่างพุทธเจ้าในชาตินั้นกะยายนะก็ตัดสินใจแรกเองท่านก็บอกอยู่แล้วว่าของทั้งหมดที่อามานี่มันก็ไม่คู่ควรกับถาดทองใบนี้ว่า ง, งั้นนะแต่ยายนะคอยได้คอย ไ, ได้เลยแรกเลยให้ทั้งหมดเลยเนี่ยของที่ตะภายไปให้ทั้งหมดเลยเป็นของประดับเป็นเครื่องประดับมีอะไรต่ออะไรนี่คืออัตตารรุนแรงถึงขนาดนี้ ด้วยเหตุที่อัตตาเราก็เลยยึดเรายึดเราปล่อยไม่ได้เราละไม่ได้เราวางไม่ได้พวกศาสนาพราหมณ์เขาถือเขาถืออัตตาศา ส, สนาเขาเขาถืออัตตาอัตตา อ, อัตตาหรืออัตมอตมันอัตตมันอัตตมัน ถืออัตตาพอเวลาเขาบรรลุแล้วเนี่ยเขาจะไปเกิดรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระพรหมเป็นประมา ต, ตามันไปเกิดบนพรหมโลกน่ยอยู่ที่นั่นอะ่ะที่นั่นเป็นนิพพานของเขาก็ถือว่านิพพานของเขาเป็นอัตตมันอัตตมันเป็นอัตตาคือไม่กล้าปล่อย แม้แต่อุดทกดาบทอาราตนาบทได้รูปปัสมาบัติอารมู ป, ปสมาบัติหวังและเล็มความสุขจากความสงบของจิตไม่ยอมพิจารณาไม่ยอมปลงไม่ยอมปล่อยเพราะฌานสมาบัติเหล่านั้นเวลาเข้าไปแล้วมีความสงบมีความสุขมีความสุขมากอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวถ้าจะว่า จะปล่อยเสียจะละเสียจะวางเสียเหมือนกับว่าถ้าไม่มีบุคคลเสวยสุขจะเอาอะไรมาสุขคิดอย่างนั้นเนียถ้าไม่มีเราเข้าไปเสวยจะเอาอะไรมาสุข <c oughs> หมายความว่ายึดสมาบัติเหล่านั้นยึดรูปสมาบัติอารูปสมาบัติยึดความสงบเหล่านั้นไม่กล้าปล่อยไม่กล้าพิจารณาเพื่อปรงเพื่อปล่อยเพราะฉะนั้นมันจึงทะลุไปไม่ได้ แต่ผู้ทีเจ้าของเราเนี่ยท่านทรงอั น, นี้เต็มเวลาเข้าฌานก็มีความสุขมีความสงบเวลาออกมาจิตก็กำเนงคิดถึงเรื่องเบื้องหลังมีความอีจตกมีความกังวล ห, ห่วงใยเบื้องหลังข้างหลังเป็นราหุลเป็นพิมพ์พาเนี่ยพระเจ้าสุโธธนะพระชาบาดีโคตมีอย่างเงี้ยคิดถึงพระญาติพระวงศ์และคิดถึงความ เกิดแก่เจ็บตายที่พระองค์จะพึงได้รับในโอกาสต่อไปเลยเห็นพบเห็นว่าพระไทยของรองค์ยังมีความทุกข์เต็มแปร่ไปหมดมันจะมีความสุขเฉพาะเวลาเข้าเข้าสมาธิเท่านั้นเองเพราะเวลาออกมาแล้วความทุกข์เหล่านั้นก็ปรากฏขึ้นมาอีกเพราะจิตมันนึกมันคิดมันไม่นึกไม่คิดตอนที่สงบมันก็มีความสุขอนี่คือไม่ได้ ไม่มีคนสอนเรื่องปัญญาไม่มีคนสอนเรื่องปัญญาสอนที่เรื่องความสงบรู้สีชีพรเขาทาอย่างนี้เขาสงบตายแล้วไปเกิดเก็ดพระพรหมบางทีก็ไปเจริญเมตตาแผ่เมตตาตายแล้วไปตายแล้วก็วได้ฌ า, านได้สมัตฌได้ฌานสมาบัติไปเกิดบนพรหมโลกไปอายุยืนมากอยู่บนพรหมโลกไม่กล้าปล่อย ทูตุติเจ้าท่านมาพิจารณาเอ๊ไม่ใช่ความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่เต็มไปอยู่ในหัวใจยังไม่หมดยังไม่บกเบาไปไหนพระองค์จึงออกจากอาจารย์มาบําเพ็ญโดยลําพังมาพิจารณาไล่เหตุไล่ผลไล่ไปไล่มามันเข้าหลักปฏิจจสมุปบาทเข้าหลักปฏิจจสมุปบาทเราดูเดี๋ยวท่านแสดงไว้ในธรรมจักรเลย แสดงทำไม่จักก็ได้แค่พระัญกุลธัญญะหนึ่งองค์ได้ดวงตาเห็นธรรมวัฏปัตยามหานามะอัจฉริได้แค่ดวงตาเห็นธรรมครั้งแรกก็ได้แค่พระัญญากุลธรรัญะจากนั้นแล้วก็วันลวันละหนึ่งองค์วัฏปัตยามหานามะอัจิริ หมดเวลาไปห้าวันวันละหนึ่งองค์ได้ดวงตาเห็นธรรมคือภูมิความสามารถภูมิความรู้ไม่เท่ากันพระยาโกรทัญญากับหมู่เพื่อนนะี่คุณสมบัติของของใจภายในใจไม่เท่ากันเพราะผู้ที่มีคุณสมบัติมากกว่าจึงได้ธรรมะ ก, ก่อนอืมต่อไปก็ค่อยๆกล่อมกลาถ้าเราจะเทียบก็ ค, คงไม่ต่างอะไรครับบัวสีเหล่านั่นแหละบัวหนึ่ง โปรพ้นน้าไปแล้วคอยจะรับแสงแดดเพื่อที่จะบานอีกดอกต่อมาก็เสมอปริ่มเสมอน้ํารอเวลารอจะว่ายืดเข้าไปพ้นน้าอีกดอกนึงก็อยู่กลางๆงน้นํารอจะวบบจะยืดมาเพื่อที่จะพ้นน้ําต้องอาศัยระยะเวลาในการในการยืดอาศัยระยะอาศัยเวลาความเป็นไปของโลกก็คืออาศัยระยะเวลา เวลากับความเป็นอยู่ของกองสังขารกองสังขารเราที่มีวิญญาณครองกับกองสังขารอยู่รอบข้างตัวเรามันก็เจริญไปไม่มีอะไรหยุดยัง้งสังขารภายนอกก็เจริญไปไม่มีอะไรหยุดยัง้งเจริญในขราวที่มันมันมันเจริญไปเจริญแล้วมันเจริญเสื่อมในวัยเสื่อม พวกเราเกืเหมือนกันเราจะเจริญในวัยที่เจริญแล้วก็จะเสื่อมในวัยที่เสื่อมเพราะมนุษย์เรานั้นมีอายุไข่มันดาสังขารทั้งหลายทั้งปวงนัน้นมันมีอายุไข่โดยว่าคนเราเนี่ยอย่างทุกวันนี้อายุเท่ารเจ็ดสิบแปดสิบปีเก้าสิบปีหนึ่งร้อยร้อยกว่าก็มีอยู่บ้างแต่มีน้อยเหมือนอย่างเจ้าคุณอุดมญานโมลีอายุหนึ่งร้อยห้าปีที่ท่าน อยู่ที่วัดโพธิสมพรณอายุห น, นึ่งร้อยห้าปีนั่นอกูบายชานอกนั้ก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งร้อยสองปีหนึ่งร้อยสามปีนอกนั้นก็ไม่ถึงเจสิบปีแปดสิบปีก็ทยอยไปแล้วเก้าสิบปีเก้าสปีไปแล้ว คือสังขารมันขยับไปหน้ามันไม่ได้หยุดยัง้งแต่ว่าภายในใจข อ, ของใครของเราไม่มีใครต้องการให้มันเป็นเป็นอย่างงั้นอยากให้มันเที่ยงอยาให้มันคงที่อยู่อย่างนั้นไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นแหล ะ, ละสารพัดจะพึ่งเกิดขึ้นมีขึ้นในเราให็นไหมด้วยเหตุที่มันมีมีความเปลี่ยนแปลงเช่นอย่างร่างกายของเรา ความเปลี่ยนแปลงนี่มันกระเทือนมาถึงความสุขความทุกข์เหมือนอย่างตอนเช้าเรามีความสุขสายสายมาเนี่ยเรามีความทุกข์แล้วนี่คืออาศัยความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงทำให้สิ่งที่ได้ต่อเนื่องมาคือความสุขกับความทุกข์แต่มนุษย์นี่ต้องการความสุขชอบความสุขเกลียดความทุกข์เพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่ต้องการความทุกข์ต้องการความสุข ต้องการให้มีแต่ความสุขได้ไหมก็ไม่ได้เพราะเช้าสายบ่ายค่ําเีย็นมืดกลางคืนอะไรแต่ไหมันเปลี่ยนไปทุกระยะทุกเวลาเราดูมาที่กองสังขารคือร่างกายของเราลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยนี่คือความไม่คงที่ของมันแหละคือความเปลี่ยนไปของมันไปซักไปฟอกไปนุ่นไปนี้ จากนั้นแล้วก็ธาตุภายในมันก็เสื่อมไปมันก็สิ้นไปคือมนุษย์เราต้องการอาหารเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ต้องการน้ํามันนั่นแหละถ้ามีน้ำมันมันก็ทํางานได้ไม่มีน้ํามันมันก็ทํางานไม่ได้พอใส่น้ํามันไปมันก็ทําหน้าที่ของมันไปบดไปอัดไปถีบนะครับถีบ ถีบไปแล้วก็หมุนหมุนเราไปลากนุนไปลากนี่นั่นแหละคือสิ่งที่มันต้องการมนุษย์เราก็ต้องการอาหารอาหารเป็นวัตถุเป็นวัตถุดิบที่มาป้อนกองสังขารร่างกายของเรานี่ก็คือกองก็คืองานคือคือกองงานเราดีๆดเองอก็คือโรงงานโรงงานก็คือกองงานเราสนใจ ใจที่มันคลองร่างอยู่นี้มันจะสนใจหรือไม่สนใจก็ตามร่างกายมันก็ทำไปตามเรื่องของมันเพราะมันเป็นกลไกโดยหลักธรรมชาติของมันมันสูบมันฉีดมันปรับมันย่อยมันสลายมันเสื่อมไปมันสิ้นไปมันบีบคั้นตัวมันเองเพราะฉะนั้นสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงสองชั่วโมงหิวแล้วหิวแล้วใส่เข้าไป ใส่น้ำใส่ข้าวปลาอาหารใส่เข้าไปขนมนมเนยใส่เข้าไปใส่เข้าไปเตรียมทองก็อิ่มอิ่มแล้วก็หยุดหยุดมันก็ขับย่อยไปลงเข้าไปในปากลงไปลาคอลงไปกระเพาะลงไปไส้น้อยไส้ใหญ่ย่อยเข้าไปเรื่อยรุนจนจนเหลือแต่สิ่งที่มันทิ้งมันใช้ไม่ได้ไปทิ้งเป็นอาหารเก่าอาหารเก่านอกนะั้นมันย่อยไปหมดแล้ มันเป็นอาหารไปใส่ให้ข้งให้ร่างกายเจริญเป็นไปได้ไปสร้างเซลล์ไม่แต่เซลล์ที่เขาเรียกหมอก็เรีย ก, ก, เ, ยกเซลล์ในร่างกายของเรามันเป็นกลุ่มชีวิตกลุ่มเล็กๆะที่มันมาเกาะกลุ่มกันในเมื่ออาหารไม่พอเซลล์ตัวนั้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวแล้วตายบ้างอะไรบ้างพออาหาร เพิ่มเข้าไปได้สัตว์ได้ส่วนมากมายเขาก็เพิ่มขยายตัวขยายตัวขยายตัวเรายก็อ้วนเอาอ้วนเอาอ้วนาพอไม่มีเซลเหล่าน้ําก็ตายตายลงจยลงจอยลงผอมลงเราดูข้อเปลี่ยนแปลงมีอยู่แค่นี้เราไม่ใส่ไปก็ไม่ได้เราต้องใส่ให้มันเพราะมันบดมันย่อยมันสลายทุกระยะทุกเวลานี่คือน้ําท่าอาหารต้องใส่เข้าปากมันเป็นวัตถุดิบ ที่จะป้อนโรงงานมันจะทำให้อะไรอยู่เท่าเดิมได้โดยเหตุที่อยู่เท่าเดิมไม่ได้นั่นแหละเดี๋ยวเจ็บไข่เดี๋ยวได้ป่วยเดี๋ยวสุขสบายเนี่ยท่านจึงให้ศึกษาให้รู้ให้ยอมรับตามที่มันมีอยู่จริงเป็นอยู่จริงเราจะไม่ทุกข์กับมันพพุทธเจ้าท่านตัดสินใจง่ายๆถ้ามันเป็นเราเราต้องบอกมันได้โดยเหตุที่ไม่ใช่เรา เราจึงบอกมันไม่ได้เนตังมามะเนส่วะมัตสมิเนนะเนส่วมิอัตตาโนให้ตังวันติเป็นอัตตาไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเป็นเราไหมไม่ใช่เราโนให้ตังวันติไม่ใช่เราเป็เจ้าขาไม่ใช่เราเป็นเจ้าขาเรามาฟังดู เท่าที่ศึกษาดูในอนัตตลักขณสูตรเนี่ยเมื่อบุตรเจ้าท่านฝึกซ้อมถามพระสงฆ์เท่าไหลายเหล่านั้นต่อไปในขณะเดียวกันพร้อมกันเลยนะแสดงว่าจิตก็ท่านนขมตัดตัดตัดตัดตัดตัดขาดเข้าใจตัดขาดเข้าใจแล้วก็ตัดขาดไปในขณะเดียวกันอนี่อนัตตลักขณาสูตรมองเห็นทุกอย่างไม่มีตัวไม่มีตนทําลายความเป็นตัวเป็นตน เมื่อทำลายความเป็นตัวเป็นตนได้ความยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานมันก็ไม่มีรู้เหตุรู้ปัจจัยเท่าที่มันมีเท่าที่มันเป็นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราแยกเช่นอย่างร่างกายดินน้ำลมไฟเนี่ยท่านให้เราแยกดินข้างนอกมีดินข้างในคือกายของเรามีสิ่งที่แข็งสิ่งที่แค่นแข็งน้ำข้างนอกมีน้ำข้างในกายของเราก็มี ลมข้างนอกมีลมข้างในกายของเราก็มีไฟข้างนอกมีไฟข้างในกายของเราก็มีลมก็ปพนเพลกายไฟก็อุน่นอุ่นกายเอาไว้ถ้าไม่มีไฟร่างกายมันก็บูดก็เนา่าอุ่นเอาไว้อยู่อย่างเงี้ยเป็นธาตไฟมันมาเกาะคุมกันโดยหลักธรรมชาติของมันท่าในให้ดูอย่างนี้ ท่านให้ให้ดูมาที่เหตุที่ปัจจัยของมันให้ดูมาที่วัตถุนี่วัตถุหล่านี่เป็นเราเหรือเป็นเราเหรือเป็นเราเหรือแท้ที่จริงถ้าเราดูให้ชัดเข้าไปอีกว่าร่างกายนี้เป็นเราจริงหรือท่านจึงให้ย้อนดูไปในท้องแม่ไม่มีใครเอาเลือดของตัวเองไปเกิดในท้องแม่สักหยดไม่มีเนี่ยทำไมออกมาะไรยึดแล้วเกินยึดแล้วเกินถือแล้วเกินเราดูอย่างนี้เลยจะทำให้เราเห็นเข้าใจ เข้าใจชัดว่าอู้มันไม่ใช่เราพระเจ้าท่านก็บอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราแต่พระองค์ทรงตรัสหลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วรู้ข้อเท็จจริงมาแล้วมาบอกเรามาสอนเราแต่ด้วยเหตุที่เราตันหาวปาทานเต็มแพร่เราก็ฟังเราก็สักคำว่าฟั ง, ฟงตราบใดที่เราไม่ไม่เจริญความสงบพิจารณาเกิดปัญญาเกิดปัญญาจนเกิดปัญญาญาณจนเกิดวิปัสสนาญาณ ไห้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วเราก็ยังยึดอยู่ยงั้นยงถืออยู่งั้นตราบใดที่เห็นชัดเจนแจ่มแจง้งเหมือนอย่างที่ท่านบอกไม่ต้องบอกให้ปล่อยก็ปล่อยเพราะเพราะไม่น่าจะไม่แช่ชุ่มแช่ยึดอยู่ถืออยู่กับสิ่งที่ที่เป็นทุกข์ที่เป็นโทษสิ่งที่ไม่กีรั ง, ย, งยั่งยืนสิ่งที่ไม่มัน่นคงสิ่งที่มีแต่กองทุกข์กองโทษ ทุกหรือไม่ทุกโทษหรือไม่โทษเราดูที่กองทุกกลองโทษหิวลองไม่หาใส่เข้าไปดูเอใส่เกินพอดีไปก็ทุกอีกใส่ไปเจออาหารดีไม่ดีปวดท้องปวดใส่นะท้องร่วมท้องอะไรแต่าเราดูเถอะถึงถึงกับสําลักอาเจียนอะไรแต่เราดูสิ่งเหล่านี้นตามมาจากนั้นแล้วไปเป็นทิศเป็นโทษเ ป, นน ون, เป็นนู้นเป็นนี้ ทาให้ระบบระบบในร่างกายเปลี่ยนตัวจากอย่างนี้ไปเป็นอย่างนั้นจากอย่างนั้นไปเป็นอย่างนี้เช่นอย่างเนื้อหอกนี่ยนะมันงอกเกินปกติมันงอกเกินปกติมันก็เกิดมันก็เกิดไปมันก็สร้างตามเรื่องตามราวตามระบบระบบของสังขารร่างกายไปจิตใจไม่ได้รู้เรื่องในการทํางานของกายเลยแต่เป็นคนมาจับจองเฉยๆท่นเองแต่มันเป็นคุณสมบัติแห่งกันและกัน เวลาก็ได้มาเขาเข้าไปเกาะ เ, เข้าไปสิงเข้าไปยึดถือเข้าไปสิงเข้าไปอาศัยว่า ง, งั้นเะเป็นผู้อาศัยอาศัยไปอาศัยมากของเราของเราเราเราเร า, เราของเราของเรายึดเเลยด้วยเหตุที่เรายึดเนี่ะ เ, เลยพยายามประคับประคองให้อ้วนพีให้มีแรงให้สดสวยให้งดงาม เรายึดยังไงเราแต่งยังไงมันก็ได้แค่เราแต่งแต่อันนี้ก็คือก้อนปฏิกูลอยู่เท่าเดิมเหมือนเดิมก้อนปฏิกูลก้อนโซโครกดินข้างนอกมันมันไม่เหมือนดินข้างในเราดินข้างในเราล้องไม่มีน้ํา เราไม่มีไฟเราไม่มีลมมาพ้นเพลินบูดเนา่าแม้กระนั้นก็ตามมันขัดมันย่อยมันสลายไปตามเรื่องมันก็ไปกองอยู่นะอาหารเก่าอาหารเก่าถ้าเราจะว่าไปแล้วอาหารเก่าก็คือส่วนหนึ่งของเราเนี่ยแหละส่วนหนึ่งของอวัยวะของเราอาการสามสิบสองทีาเรียกว่าอาการของกายอาการสามสิบสอง การีสังกริสังอาหารเก่าของทิ้งของเสียของทิ้งของเสียมันก็ไปจากของดีนะ่ะมันขับมันย่อยไปจนหมดเหลือของทิ้งของเสียอของทิ้งของเสียใช้ไม่ได้เราก็ทิ้งไปมันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับกายแต่เราก็ต้องทิ้งไปเราดูแล้วมันไม่ต่างอะไรกับเครื่องจกักรเครื่องกลโรงงาน โรงงานโรงงานโรงนี้ผู้บริหารโรงงานนี้ก็คือจิตคือผู้รู้ใจของเรามีอำนาจบังคับบังคับได้แค่อิริยาบถเ ท, ท่านั้นอเองให้ยืนเอาให้เดินให้นั่งให้นอนให้กินให้ดืม่มให้ทำให้พูดให้คิดใช้สมองคิดแท้ที่จริงใจเลี่ยมันมันปรุง ม, มันคิด แต่ก็อาศัยสมองพาดพิงมาที่สมองพาดพิงมาที่ปากพูดออกไปเป็นเสียงมีจะลมออกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันบังคับได้แค่นี้แหละบังคับแค่ให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนบังคับไม่ให้แก่บังคับไม่ได้แค่พอชะลออยู่ได้เท่านั้นเองบังคับไม่ให้แก่เอานุ่นมาแต้มเอานี้มาแต่ง เอามันเสริมมาเสริมเอาอยานั้นมาช่วยส่งเสริมให้ร่างกายมีกำลังวังชามีเรียวมีแรงมีเนื้อมีน้ำฉลอพอฉลอได้อยู่ได้ความแก่ความเจ็บหมอก็สามารถให้หายได้ให้ขาดได้บางสิ่งบางอย่างแต่หายอันนี้อันนั้นก็เป็นอีกหายอันนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหายอันนี้อันนั้นก็เป็นอีก เพราะมันเปลี่ยนตัวมันไปเรื่อยมันเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยอืให้หายขาดก็หายไม่ได้เพียงแต่ชะลอได้พยุงได้เท่านั้นเองตายก็ห้ามไม่ได้เพียงชะลอได้พยุงได้แทนที่จะตายภายในสิบวันอ้าวไปอีกเดือนหนึ่งแทนที่จะได้ภายในเดือนหนึ่งตายภายในเดือนหนึ่งขยับไปอีกสองเดือนเนี่ยหมอสามารถพยุงได้หลายได้แต่ไม่ให้ตายได้ไหมไม่ได้ เพียงหยุดเพียงชะลอเพียงอะไรได้เท่า น, นั้นเองนี่คือคือความสามารถของเราเราเพียงชะลอมันได้ความเก่ีความเก็บความตายใจไปบังคับที่ให้มันเป็นแต่ไปตามใจของตัวเองบังคับไม่ได้พระเจ้าตเนียว่าบังคับไม่ได้ท่านจึงปล่อยปล่อยให้เป็นไปตามสภาวะธรรมตามความมีของมันตามความเป็นของมันปล่อย หลังจากพระองค์ปล่อยพระองค์เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงพระมังสุขังประมังสุขั ง, ง, ขงจิตถอนออกมาทั้งหมด <c oughs> ออกมาจากการ <c oughs> ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นขององเราว่าเป็นอัตตาตัวตนของเราถอนมาหมดถือต่างกันนะพระเจ้าท่านถือกับพรามก็ถือเนี่ยต่างกันก็เป็นตัวเป็นตนเนี่ย เราสามารถย้อนมาดูในจิตของเราได้ในกายของเราได้เกิดความรู้สึกว่าเป็นเราก็าเป็นของของเราเนี่ยเช่นอย่างเราเกิดความรู้สึกว่ากายนี่เป็นเราเมันยึดจริงๆริงแต่ถ้าหากเราใช้สติใช้สัมผััญญาดูให้ชัดเจนก็ไปอีกแล้วกายก็สักเทว่ากายจริงๆใจไม่สามารถจะไปทําอะไรได้เพียงแต่มังคับให้เปลี่ยนอิริยาบทได้เท่านั้นเอง ให้เคียวให้ดื่มให้ทำให้ให้พูดให้นู้นให้นี้ให้อะไรเท่านั้นเองบังคับมันใช้เป็นให้เป็นอื่นไปอย่างนี้ไม่ให้แก่อย่างเงี้ยไม่ให้เจ็บเนี่ยไม่ให้ตายบังคับไม่ได้ถ้าบังคับได้ไม่มีใครแก่ใครเจ็บแล้วใครตายใจมันบังคับไม่ได้นี่เหตุปัจจัยที่อยู่ในกายเหตุปัจจัยละเอียดลึกเข้าไปคือจิตนั่นแะ จิตคือเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งของกายกายคือเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งของจิตมันเป็นของของกันและกันเพราะฉะนั้นเวลาเขาประจบมาไปจวบเหมาะได้อยู่ได้สสยกันแล้วเนี่ยเวลาเขาไปจากกันไปยากมากเห็นไหมคนตายเวลาก็อยาตายตาเหลือบตาลานชักนินชักงอไหมกว่าผู้รู้จะออกไปผู้รู้ออกไปยาก เวลาเขาเกิดเขาเกิดมาด้วยกันเวลาเขาไปจากกันเนี่ยเขาพลากกันยากมากนอกจากผู้มีธรรมผู้มีธรรมผู้ไม่มีธรรมแล้วดิ้นตาเหลือกตาลานอย่างนั้นผู้มีธรรมหายใจเงียบเงียบเงียบหายไปเลยมันมันครูบาอาจารย์ท่านว่าหลวงปู่มั่นน่ย อาจจะเงียบกูไปจะนั่งจ้องดูจะแทะลมจะแทะแทบไม่รู้ว่าท่านไปตั้งแต่เมืไรไม่มีกระตกกระตัดไม่มีชักนู้นชักนี้อะไรเลยไม่มีผู้ที่ท่านมีธรรมผู้ที่ท่านมีธรรมท่านปล่อยได้ง่ายแต่พวกเรานี่เข้าไปจักกันเลยยากเพราะมันเป็นสมบัติของการอะกันร่างกายเป็นสมบัติของใจใจเป็นเหตุปัจจัยส่วนส่วนละเอียดเหตุปัจจัยส่วนละเอียด เพราะใจยังมีที่ยึดยังมีที่ยึดโดยเหตุที่ใจมันยึดจึงทำให้สถานะของใจเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนภูมิไปเรื่อยบางครั้งก็มาเกิดในภูมิที่มีอาการห้าที่เรียกว่าปัญจโบการเช่นอย่า ง, างพวกเราเนี่ยมีกายมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเรียกว่าอาการห้าปัญจโบการสุปรองเหลือสองคือรูปกับนาม บางครั้งเราก็ไปเกิดในภพภูมิที่มีแต่นามไม่มีรูปมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางครั้งเราก็ไปเกิดในภพในภูมิที่มีแต่รูปไม่มีนามเช่นอย่างพวกอสัญญีสัตตาอาสัญญีสตานคือกายไม่มีความรู้สึกเขาเรียกว่าพรหมโลกฟักพรหมโลกฟัก อาศัยกรรมหล่อเลี้ยงสมมติไปเกิดในในโลกนั้นนั้นอยู่ได้อย่างนั้นแหละไม่เกิดความรู้สึกไม่มีความรู้สึกได้แต่กายไม่มีนามแต่ก็กรรมก็อยู่ในนั้นอมแปรยอยู่ในนั้นแหละแสดงผลของของนามไม่ได้มีแต่รูปคือพวกนี้เจริญฌานฌานสูงนะฌานสี่ด้วยเจริญฌานแล้วก็เบื่อนหน่ายเบื่อนหน่ายในในเบื่อนหน่ายในนาม เบื่อหน่ายในจิตโอ้ยเป็นเพราะจิตนี่แหละทาให้เราคิดโน้นคิดนี้ยุ่งไปหมดเบื่อหน่ายในจิตแต่แต่ไม่ใช่เบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อหน่ายแล้วละปล่อยวางเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าท่านพิจารณาอืมพอดับชี่ใบชนในขณะนั้น่ะเบื่อหน่ายในรูปก็ไปเกิดได้แต่ดเบื่อหน่ายในนามและเวลาไปเกิดไปเกิดได้แต่รูปไม่มีนามเพราะเห็นโทษของนาม ยังไปเกิดอยู่ยังไม่ได้ละถอนอุปาทานตั้นหาอุปาทานยังไม่ได้ถอนสักตัวยังไม่ได้ถอนแต่ยึดด้วยอํานาจของฌาพนพลน้สูงฌานสูงนะฌานสีส่ใช่ไบางทีเขาเบื่อหน่ายในรูปโอ้ยเพราะรูปนี่แหละเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวปวดเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวไข้เดียเเด๋ยวนนเดียยเด๋ย ว, ยยว น, น, ยวนี้เวลาไปเกิดไม่มีรูปมีแต่านามนี่พวกพรหมสี่ชั้นพรหมพวกพร้อม เจริญฌานชั้นสี่นั่นเนี่ยได้ได้ไปเกิดในภพที่มีแต่รูปไม่มีนามไปเกิดมีแต่ในภพที่มีแต่นามไม่มีรูปอรูปภพภอรูปภพพร่องนั้นน่ะนั่นน่ะที่ปพร่อเข้าไปอยู่ไม่มีรูปอรูปก็คือไม่มีรูปอรูปภพนี่คือภพภูมิที่เราได้ไปเกิดได้ไปอุบัติการไปอุบัตินี่ก็ไปอุบัติด้วยคุณสมบัติของใจ <c oughs> อาชินกรรมที่เราทํทาทํามหากินทําอยู่เหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่นี้เราตั้งใจให้ฐานตั้งใจใรักษาศีลแต่เราไม่ได้เจริญความสงบแห่งใจใจไม่ได้รับความสงบเราทํามากินได้แล้วก็ทําบุญไปท่ายทานไปรักษาศีลไปด้วยเหตุที่เราไม่ได้เจริญความสงบ ให้อยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์ของฌานเนี่ยอย่างดีเราก็ไปเกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นสวยกามมีกามคุณเต็มแพรอยู่บนนั้นสวยกามคุณสวรรค์หกชั้นเป็นที่สวยของกามคุณกามคุณเต็มแปร่อยู่บนนั้นมีนนมมตมแต่ทิพย์อนุกต์ทิพย์อนิจจ์ทิพย์มีมของละเอียดอ่อนทั้งนั้น ของระคำราคาเทียบกับเมืองมนุษย์ไม่มีเทียบหละของอะไรดิบีทั้งหมดบนสวรรค์นะอืแล้วก็เมื่ไปติดไปยึดอยู่แค่นั้นะพอหมดอายุไขต ก, ตกตกลงมาอยู่ะล้วมาดินมาหลมนุาโนมานี่ไปขยับตัวขึ้นได้เท่าเดิมขึ้นไปอีกขึ้นลองขึ้นลองขึ้นลองอยู่อย่างนี้เลยเพราะฉะนพะพุทธเจ้าท่านจึงสอนถึงโทษโทษของกามอืม อาทีนวกถาท่านพูดถึงโทษของกามบนสวรรค์ทั้งหกชั้นนะะเสวยกามากุลเต็มแปร่ท่านจึงสองโทษของกามโทษ ข, ของกามบนสวรรค์ยังไงโทษของกามบนโลกที่พวกเราเสวยก็เหมือนกันอย่างนั้นหละบนสวรรค์เขายั ง, ย ง, ยงมีการแย่งกามกั น, นะบนสวรรค์แย่งกาบแย่งบริษัทปริวารกันยกเว้นแต่ว่า เทพ ธ, ธิดาไปเกิดในฝ่ามือของเทพประบุนนี่เป็นสมบัติของเขาแล้วไปเกิดบนตักนี่เป็นสมบัติของเขาแล้ไปเกิดข้างๆบรนลังเขาเนี่ยเป็นสมบัติของเขาแล้วคําว่าเทวดาสองตนเนี่ยย่งเทพธิดานางหนึ่งเทพธิดานางนี้ไปเกิดในระหว่างเขตสองเขตต่อกันเทวดาตนนี้กับตนนั้นะไม่รู้จะตัดสินเป็นของใครอ่ะ อ่าเทวดาตัวนี้เอาก็ไม่ได้เทวดานาตัวนั้นเอาก็ไม่ได้เกิดอยู่ระหว่างกลางเอ๊ะนางเทพีดาตัวนี้ก็งามงามเทยยบจะบ้าคลั่งตายเพราะความงามของนางอืไม่รู้จะเป็นของใครเยแย่งกันเลยทอนนี้เดือดร้อนถึงพระอินทร์นะพระอินทร์ไปพิจารณาไปพระอินทร์ไปเห็นพระอินทร์ก็โอ้พวกเธอเห็นแล้วเป็นไงอคน ไอ้ต้นหนึ่งก็ว่าของตนอีกคนหนึ่งก็ว่าของของตัวอีกต้นหนึ่งก็ว่าของตัวพระอินทร์โอพวกเธอมีความรู้สึกแค่นั้นเองเรานี่ถ้าเราไม่ได้นางนี่เราตายแน่ๆตาอินพระอินเอาไปจ่อยได้ไหมนี่โฟยำหน้าเพระอินเอาไปจ่อยพระอินก็เป็นใหญ่บนสวรรค์นี่พระอินนั่นแนหะแย่งขามกัน พระพุทธเจ้าท่านจึงงแ ส, สดงอานิสงส์ของการออกจากกามเราออกจากกามได้ไหมเราออกจากกามได้เราออกอยังไงเราออกจากกามกามทั้งหลายก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมารมณ์นั่นเรียกว่ากามะคุณกามคุ ณ, ก า, คณการที่เราเจริญ สมาธินี่เองคือการออกจากกามจิตเพราะจิตเราสงบพักจิตเราทิ้งรูปอจิตเราทิ้งรูปจิตเราทิ้งเสียงทิ้งกลิ่นทิ้งรสทิ้งสัมผัสทิ้งอะไรแต่ลรหมดอยู่แต่กับคําว่าพุทโธพุทโธนี่คือจิตออกจากกามอเราพูดอย่างนี้เราเห็นความสําคัญของความสงบจิตที่สงบนั่นแหละคือจิตเริ่มสํารอกกามจิตเริ่มออกจากกาม กามก็คือวัตถุกามที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสนั่นเองเราดูกระแสของจิตของเรามันอยู่ในวงจรของอันนี้ทั้งนั้นอยู่ในวงจรของกามอยู่ในกระแสของกามมันก็หมุนอยู่งนั้นแหละนึกนึกนี้นึกนี่นึกนั้นนึกรักอนุูนึกชังอันนี้นึกพอใจกับอันนู้นไม่พอใจกับอันนี้อยู่แค่นั้นแหละไม่ไปไหนหรอกอ่า คือวนเวียนอยู่ในจั ก, กรวาลของมันของกามที่เรียกว่ากามคุณกาลคุณมีคุณแค่เพื่มปีติยินดีให้ความเพลินใจที่ท่เทียกว่าอามิตรอามิตรจิตมีความสุขกับอามิตรสิ่งเหล่านี้ถ้าอามิตรเหล่านี้บกพร่องไปทุกข์อีกแล้วอามิตรเหล่านี้บกพร่องไปกับทุกข์อีกแล้วไม่เหมือนพวกพรหมเขาเขาทิ้งรูปทิ้งเสียงทิ้งกลิ่นทิ้งรสทิ้งสัมผัสทิ้งอะไรหมด เขาอยู่กับความสงบอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวพุโทโธพุโทโธพุทโธจิตสงบไม่ได้ไปนึกไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องถือว่าจิตดวงนั้นออกจากกามสำรอกกามออกจากกามนี่คืออเนสงอเนสงของการออกจากกามทำให้จิตได้รับความสงบโดยเหตุที่มีอเนสงของการออกจากกามนี้เอง ถ้าเราจะเที่ยวกับเหมือนไม้แห้งถ้าจิตของเรายังอมอมกามเต็มแปร่เหมือนเหมือนกับไม้สดไม้สดสดที่มันชุ่มด้วยยางเนี่ยสดด้วยชุ่มด้วยยางด้วยยิ่งพวกเราบริโภคกามด้วยแล้วท่านถือว่าเหมือนกับไม้สดด้วยชุ่มด้วยยางด้วยและยังถูกแช่อยู่ในน้ําอีกหมายความว่าเราบอกบริโภคกามเป็นอกคินกรรมคําว่าบริโภคกามในที่นี้ก็คือ เรายินดีกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสนั่นแหละที่เป็นโคจรของของจิตที่มันออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้มันไม่เหมือนผู้ที่เขาสงบสงบอยู่ในอารมณ์ของฌานฌานที่หนึ่งที่สองที่สมที่สละเอียดลึกซึ้งไปจนถึงนูน่นอารูปไปฌานเนี่ยรูปปัสมะบัติอรู ป, ปสมาบัติละเอียดลึกเข้าไปแต่ละเอียดลึกเข้าไปแล้ว ไม่รู้จักช่องออกเหมือนอุทกดาบทอาราระดาบทที่เป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าก็าไปแช่อยู่แค่นั้นดับชี้วัยชนไปพร้อมกับองค์ฌานนี่นู่นไปเกิดบนพรมโลกอรูปภพนันอายุมากมายมหาศาลอายุอยู่บนนั้นแปดหมื่นสี่พันกับโอ้แต่ก็น้อยนิดเดียวแตดม่นสี่พันกับเรามาเรามาเทียบดูกับการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์ แค่กำไรแสนมหากับหนึ่งก็เท่าไรแล้วสี่อาสองไขยแสนมหากับแปดอสองไข่แสนมหากัปสิบหกอสงไขยแสนมหากรับคิดดูทีพระเสียรยามีตรเราท่านถือว่าท่านเป็นประเภทวิริยาที่กะนะยิ่งด้วยความเพี ย, สยรสิบหกอสงไขยแสนมหากับใครจะได้ไปเกิดในแผ่นดินของพระเสียรยามีตรคนนั้นมีบุญ ท่านจะมาบัตในยุคที่สัตว์โลกมีอายุ 20,000 กี่กี่หมื่นปี 20,000 ปีเงี้ยคนอายุนั้นอายุ 20,000 ปีใครไปเกิดในร่วมร่วมโลกกับท่านถือว <c oughs> ่าคนนั้ น, นมีบุญถ้านได้ไปฟังเทศท่านก็ถือว่าได้ได้ทำเพราะบุคคลเหล่านั้นเป็นเป็นผู้มีบุญอืม อันนี้คือในพัทธกรัปนี้พระเสียระยะเมื่อไตรพัทธกรัปคือกัปที่งามมีพระพุทธเจ้าทั้งห้าองค์เทียวัฒนพระเจ้าห้าองค์เดี๋ยวนี้เป็นศาสนาขององค์ที่สี่คือพระโคดมองค์แรกพระกัปุสันโธองค์ที่สองโกนากมนโมองค์ที่สามกัจโสะโพนี่ล่วงไปแล้วองค์ที่สี่โคตโมเนี่ยที่เรายังถือศาสนาอยู่เนี่ยแต่แต่องค์ไหนก็ตามท่านสอนเหมือนกันหมด พระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนสวัสดิ์ปัสกาการนังกุสลสู้สัมปดาสิจิตะประโยชน์ดนังญ์ท่านสอนเหมือนกันหมดละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์สอนเหมือนกันหมดนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเอตังบุทธานาาสนานเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนเหมือนกันหมดแล้ววันนี้ก็เป็นวันสำคัญเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประกาศหัวใจของพุศาสนาครับ สับปัดสักา ร, ร, าร ะ, ร ะ, า ะ, ร ะ, ะ, ระนังกุศลสูบผสมปดาจิตตปริยดักป็นนังนี่วันนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้าทรงโอวาทปาฏิโมกไม่ใช่สวดปาฏิโมกแบบศินสอง้ยี่สิบเจ็ดเหมือนอย่างที่เราสวดท่านทรงโอวาทคือสอนไ ป, ด, า ด, าปาดูโอวาทปาฏิโมโอวาทโอวาทปาฏิโมขั้ง ตีหิตีหิาาหิสามคาถาเนี่ยสมคาถาตีหิกาาหิสมคาถ า, า, า, า, า, า, า, า, า, าขันติประมังตโุติตีินิ บ, บานังประมัง ป, ปันติพุทธาหิปปจิตตุโปรูปคาตีสมโนโหติปรังเวทยันโตนี่นี่เป็นคาถา ไปดูมีแต่คำแปลเท่านั้นแนหะกันติประมังตะโปติติฆาเนี่ยอกันติเป็นตะบะอย่างยิ่ง <c oughs> พระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิบานังประมังวัดันติบุตนาอนหฮิปปิจิตโตโตป ร, รูปรคาตีนู ป, ปะวะดวนูปคาตโตปาทิมกุกเฮจะสรั้งวโร ون. สุมรวมในประปิโมกไม่กล่าวมันไม่เข้าไปกล่าวร้ายให้โทษอผู้ที่เข้าไปกล่าวร้ายให้โทษคนอื่นไม่ชื่อว่าบัณฑิตสุ่มรวมในพระปฏิโมกปฏิโมกข์เสังวโรมัตตัญญูตามัตตัญญุตาเจปาตัดสมิ่งมัตตัญญูตาประมาณรู้จักประมาณ จะผัดตัดสมือประมาณในพัดปันตันจะศรนาสนังจินดีพอใจอยู่ในเสนาสนะที่สงัดอธิจิเตจะอายโกโอเอตังบุธานาซาสนังพุทธเจ้าทั้งหลายตัดเหมือนกันหมดอย่างนี้นึ่โอวาทปฏิโมกีิพุทธเจ้าทรงแสดงกับภิกษุหนึ่งพันสองร้อยหสิบองค์่าวันเนี้ยวันเป็นเดือนสามเนี่ยเป็นวันคล้ายวัน มันเป็นเดือนสามในยุคนั้นในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าพวกเราสมมติเราตั้งใจจะไปตามหลังพระองค์ตั้งแต่พระรรกุกสันโธก็ไปยังไม่ได้ขอพระโกนาคามโนก็ไปยังไม่ได้ต้องแย่รักษาศีลตั้งใจพระพฤติธรรมปฏิบัฏธรรมอย่างยิ่งยวดจะไปยังไม่ได้เราทําำหยุดหุดทำทำหยุดหุทํา ำ, ำ, ำ, ำขาดขาดวินวินเนี่ยพระในที่สุด พระกัจจ ป, ปอเขไปยังไม่ได้ในสุดสมมติพระโคตโมนี่ก็ไปยังไม่ได้แต่ด้วยเหตุที่เราตั้งใจเรี่ยวแรงอืรักษาศีลบ้างให้ทานบ้างด้วยด้วยน้านําพักน้ําแรงอย่างยิ่งตั้งใจภาวนาอยู่บ้างภาวนาต้องภาวนานะไม่ภาวนาไม่ได้ให้แต่ทานรักษาศีนไม่ได้อาจจะไม่ได้พบท่านหรอกต้องตั้งใจภาวนาด้วยตั้งใจภาวนา ฮึดโซ่เป็นการเป็นคราวน่ะหนักบ้างเบาบ้างหนักบ้างเบาบ้างหนักบ้างเบาบ้างบุกถอยบุกถอยบุกเดินบุกเดินวิ่งหยุดวิ่งหยุดวิ่งแล้วหยุดวิ่งแล้วหยุดเป็นอุปประมาณนี่ก็ ย, ยังถือว่ามีเกรดมีดีกรีพอที่จะทันทันพระองค์แต่ถ้ายังไม่สนใจเลยทานให้ทานไปอย่างนั้นแหละรักษาศีลก็รักษาไปอย่างนั้นแหละ เรื่องภาวนาไม่เคยสนใจเลยไม่ไม่เจอแน่ๆเลยเลยไม่เจอท่านดอกรดยยุคที่ท่านเมาบัตยุคนั้นมันเป็นยุคที่ผู้ดีมาเกิดด้วยเหตุที่เราตกจากองค์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แล้วแต่ด้วยเรี่ยวแรงที่เราตั้งความอดทนเรามีดีกรีพอที่เราจะไปกับขบวนของพระองค์ได้ ภาษียริยเมตตายังมีอีกหนึ่งองนะในพัตตะกับนี้กับพัตตะกับพัตตะกับเขาพูดถึงว่าบางกับไม่มีพระพุทธเจ้าไปอุบัตินะไม่มีพระพุทธเจ้าไปอบัตสักองค์เลยโลกนะ่ะเป็นมิจฉาสินญญีหาความสงบสุขไม่ได้ดอกเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเลยถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์มนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ดอกไม่มีคนสอนไม่มีคนบอกคนสอนศาสนา ก็คงจะมีลทัทธินั้นลัทธินี้แต่ไม่เด็ดขาดเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนที่จะพ้นทุกพ้นโทษจริงๆเนี่ไม่มีบางกลับไม่มีพระพุทธเจ้าไยอบัติบางกลับมีพระพุทธเจ้าไยบัตหนึ่งองค์ก็มีบางกลับมีพระพุทธเจ้าไยบัตสององค์บ้างสามองค์บ้างเขามีแต่กลับนี้กับทุกวันที่เราเป็นอยู่เนี่มีพระพุทธเจ้าตั้งห้าพระองค์ ท่านจึงเรียกว่าพัทธกับพัทรกับแปล ว, ว่ากับที่งามพวกเรามาเกิดในกับที่งามเนี่ยแต่ถ้าหากเราไม่สนใจในคำบอกคาสอนนนอืยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปกับท่านได้แม้แต่องคเดียวละหนึ่งองค์ก็ล่วงไปแล้วสององค์ก็ล่วงไปแล้วอันนี้แค่ในกับนี้เท่านั้นนะจากนั้นแล้วท่านพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอุบัติมาในโลกใบนี้เนี่ย มากเท่ากับเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาผู้ติจ้ามาบัตมากมายมห า, า, าศาลมากกว่าเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาเป็นข้ออุปมาสแส้งพวกเราไปอยู่กันที่ไหนพวกเราไม่มีใครเจอสักคนเล็ดลอดมาจากไหนก็ไม่รู้นี่ยพวกเรานะแต่เราก็มีบุญนะเราได้พบคำ บอกคำสอนของท่านมีโอกาสได้ฝึกฝนอบรมยังอยู่ขั้นตอนเดียวขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะตั้งใจฮึดเข้าสู้ตั้งหน้าตั้งตาบุกเอาเป็นเอาตาย ใ, ใส่เหลือเท่านี้เองเหลือเท่านี้เองที่เราจะบุกเอาได้มีผู้พาท ร, รมีคติตัวอย่างมีผู้ได้พาได้ทาได้อัดได้ทาท่านพ้นไปในโลกปัจจุบันให้เราเห็น ถือว่าเราก็ยังมีบุญยังมีบุญยังมีวาสนายัางมีบา ร, รมียังมีบุญยเขตแม้แต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีบุญยเขตบุญยัเขตตังพระสงค์เนี่ยบุญยเขตเป็นเนื้อนาบุญพระสงค์เป็นเนื้อนาบุญบุญยัเขตตังโลกรัตศร์เรายังเกิดทันโลกที่ยังมีเนื้อนาบุญท่านเอาท่านเอา ท่านเอาการทำบุญมาเทียบกับเนื้อนาทำบุญกับพระสงค์พระสงค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับเนื้อนาเนื้อนาที่ที่มีผลดีะมีปุ๋ยดีมีนาม้าดีมีอากาศดีอ<ม><ม>เป็นปุญจคเขตเขตตะเขตตังแปลว่านาปุญจคเขตนาบุญแปลตรงกัวานาบุญนาบุญสมัยพระพุทธเจ้านั่นกษัตริย์ทํานา เพราะฉะนั้นพระยาดพระวงของท่านน่ะลงลงท้ายด้วยโอทนะโอทนะสุดโทธนะโทโตทนะอ่าสุดโทธนะอมิโตทนะขานิโตทนะมีแต่ธนะธนะธนะเนี่ยแปลว่าข้าวอืมสุดโทธนะเนี่ยโอทนะโอทนะแปลว่าข้าวสัตว์สมัยนั้นทำทำนาเนี่ยเราจะเห็นว่ากษัตริย์พวกสากยะกับกษัตริย์นู่นน่ะ โกริยะเนี่ยกษัตริย์พวกกษัตริย์โกริยะกับกษัตริย์สากยะเนี่ยแย่งแย่งน้ํากันเข้านายแย่งน้ํากันเข้านาแม่น้ําโรฮินีอแย่งน้ํากันเข้านาจนจะเป็นขฆาตศึกสงครามกันตัวมีความเป็นไปของโลก โอ้ oh. สิละยะเวลาไปนานพอสมควรที่เราพูดมาเนี่ยได้อะไรบ้างได้น้ําำในเนื้ออะไรบ้างชั่วโมงสิบนาที <c oughs> <c oughs> อ๋เรานั่งภาวนาไปอีกสักพักหนึ่งเที่ยงคืนเราค่อยสวยดอีกนั่งภาวนาไปสักพักหนึ่งนะให้ใจสงบนะให้ใจออกจากกาม ให้ใจออกจากกามเอาใจออกจากกาม <c oughs> อา้าวรีไฟ์บ้างก็ได้ใครไม่อยู่ใครกลับก็กลับ กาวไม่กลับใช่ไหมฮะก้าบเลยไมโอกาสตอนนี้เหมาะเหลือเกินนะกลับตอนนี้อา้าวกลับอ่ไม่กลับตอนนี้เดี๋ยวไม่ได้กลับอีกนะหมวันนี้ก้าวหน้าจริงๆเนาะเอถ้านั่งไปจนถึงหกทุ่มก้าวหน้าล้ำหน้าล้ำยุกเลยแหละฮะก้าว อไปดึกแล้วไปถึงบ้านก็พอดีแหละหกทุม่มเก้าเดี๋ยวไปเอาต้นไม้เป็นเบรกเนอะอ่าครับนั่งคุยไปเนะอะไปมีใครอีกที่จะกลับในเมืองมีไหมฮะ ไม่มีดาวอยู่ทั้งคืนที่เล็กมาเปล่านี่ฮะไหนอยู่ไหนไม่เห็นไม่ขโมยกลับบ้านละมัง้งฮะ โกดโดเอาตั้งคืนใช่ไหม มีอะไรก็ใส่ได้เนอะมันหนาวมันเริ่มหนาวแล้วนะ